บทที่สิบเรื่องของสัตว์ตามธรรมดาของคนรักสัตว์เวลาสุนัขตัวโปรดตายหรือแมวหรือมา้านั่นยอมนำพาความรู้สึกสูญเสียอันสืบมาจากความผูกพันของมนุษย์กับสิ่งที่ตนรักชีวิตในภายภาคหน้าช่างอ้างว้างโดดเดี่ยวเป็นการดำเนินชีวิตที่เวขวนขวงเมื่อปราศจากสัตว์เลี้ยงแสนรักเหล่านั้น เสียงต่างๆบอกเล่าเรื่องราวมากมายไม่มีอะไรทําให้พวกเขาประหลาดใจหรือเบิกบานได้ยิ่งไปกว่าการได้พบกับสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของพวกเขาที่รอรับอยู่ในโลกหน้าแน่ละพวกเขาอาจคาดว่าจะได้พบกับพ่อแม่คู่รักแต่การได้พบกับสัตว์เลี้ยงนี่ถือว่าเป็นโบนัสจอดวิวหมด พ่อค้าของเก่าที่มีชีวิตแต่งงานที่ล่มสลายกับภรรยาสองคนซึ่งเขาบอกว่าหาดีไม่ได้เลยแต่แล้วเขาต้องเซอร์ไพรส์ในอีกโลกหนึ่งเมื่อเจอม้าตัวเก่าของเขารออยู่เจนนี่เขาเล่ามันเคยลากเวียนให้ฉันอยู่หลายปีตอนนั้นฉันอายุสาสิบกว่าเสียใจมากที่มันจะต้องล้มลงและตายจากไปมันใกล้ชิดกับฉันมากเหมือนเป็นคนมากกว่า ฉันจึงรักมันมากมันทำตามสิ่งที่ฉันบอกให้ทำฉันแน่ใจด้วยว่ามันฟังรู้เรื่องมันเป็นม้าที่สง่างามมากและเมื่อฉันได้พบมันอีกมันไม่แตกต่างไปจากเดิมเท่าไหร่ยังเป็นม้าตัวเก่าที่น่ารักสิ่งแรกที่ฉันได้พบที่นี่ก็คือทุ่งหญ้าฉันกึ่งนอนกึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ฉันตื่นขึ้นในท่านั้นเห็นม้าตัวนี้กาลังเดินตรงมาหา และนั่นคือเจนนี่เพื่อนเก่าของฉันนั่นเองแน่นอนท่าทางของมันไม่เหมือนม้าแก่มันตื่นเต้นมีความสุขเราสัมผัสได้รู้สึกได้ฉันพูดไม่ถูกเลยนี่คือบางสิ่งที่ฉันอธิบายไม่ได้เหมือนมันกำลังพูดกับฉันมันวิเศษมากแต่ฉันไม่ได้ยินเสียงอะไรและคุณก็คงไม่คาดคิดว่าม้าจะพูดได้แต่ในใจของฉันฉันคิดว่าตัวเองได้ยิน ฉันรับทราบว่ามันกำลังพูดกับฉันและกำลังต้อนรับฉันเจนนี่มาอยู่ข้างหน้าและเลียหน้าฉันพระเจ้าฉันจะไม่ลืมเหตุการณ์นั้นเลยฉันตื่นเต้นขนลุกสู้ตกแก้มมันเบาๆเป็นการทักทายจากนั้นฉันก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างข้างหลังจนหันกลับไปดูมีหนุ่มท่าทางดีคนหนึ่งฉันว่าเขาสูงราวหฟุตสองนิ้วมีผมสีอ่อนดูหนุ่มแน่น และเอ่ยขึ้นมาว่าผมมาเพื่อดูแลคุณมาดูแลฉันหรึอจอร์จวิลล์ตอบกลับคุณพูดเรื่องอะไรนะี่ะจอร์จกําลังตื่นตะลึงกับเรื่องของเจนนี่และเหตุการณ์ต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นคุณหมายความว่ายังไงที่จะมาดูแลฉันฉันดูแลตัวเองได้และฉันก็ดูแลตัวเองมาตลอดคุณไม่เข้าใจเขาบอกคุณรู้ไหมว่าตัวเองตายไปแล้ว แน่นอนวิลมอรตกตะลึงเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางศีรษะจูๆเขาก็นึกขึ้นได้ว่าเจนนี่ตายไปตั้งหลายปีแล้วและเขาก็เพิ่งได้เห็นว่ามีม้าตัวเล็กๆอีกตัวตามมาดูมันห่างๆม้าตัวเล็กที่น่ารักไม่เหมือนเจนนี่จากนั้นชายหนุ่มผู้มาใหม่ก็แสดงให้จอร์จวิลมอรได้รับรู้อะไรบางอย่างเขาทําให้วิลมอรแลเห็นภาพของตัวเองนอนอยู่บนเตียง ตัวแข็งไม่กระดุกกระดิดมันเหมือนกับวิวหมดกำลังมองดูร่างกายตัวเองแต่ไม่ได้อยู่ในสถานที่แห่งนั้นเขาเห็นคนอื่นๆกำลังยกร่างของเขาขึ้นรถเข็นและเข็นออกไปเขาเดินตามรถเข็นนั้นไปแล้วทุกอย่างก็หายไปเขากลับมาอยู่ในสถานที่ที่ยืนอยู่กับชายผู้แนะนําตัวเองว่าเป็นผู้ดูแลผมชื่อไมเคิล เขาแนะนำตัวโอ้อคุณรู้ไหมว่าคุณตายแล้วฉันไม่รู้อะไรสักอย่างคุณเพิ่งรู้สึกตัวใช่ไหมคุณเพิ่งได้เห็นร่างกายของคุณมิคาลทบทวนให้คุณรู้ว่าตัวเองเสียชีวิตในโรงพยาบาลนั้นจอร์ดเวลมอตเริ่มนึกออกแล้วว่าเขาป่วยหนักอยู่ในโรงพยาบาลแต่เขาจะตายได้อย่างไรในเมื่อตัวเขากาลังยืนอยู่ตรงนี้ และกำลังคุยอยู่กับไมเคิลและเขาก็ยังมีเจนนี่ด้วยเจนนี่ไม่ใช่ข้อพิสูจน์หรือว่าคุณได้ตายไปแล้วมันน่าแปลกมากวิลมอรคิดก่อนเอ่ยขึ้นมาว่าถ้าฉันอยู่บนสวรรค์จะมีม้าอยู่ที่นี่ได้ยังไงอย่าหวังเลยม้าไม่มีวิญญาณหรอกใช่ไหมล่ะนั่นคือสิ่งที่พวกคุณได้รับการบอกเล่าตอนอยู่บนโลก<ๆ>เขาบอกว่าพวกม้า สัตว์เลี้ยงทั้งหลายไม่มีชาติหน้าพบหน้ามันอาจจะเหมือนแค่เป็นวัตถุอะไรบางอย่างที่มีชีวิตในการใช้ชีวิตของคุณแต่จริงๆแล้วหมาตัวนี้เพราะว่ามันใกล้ชิดกับคุณมากตอนคุณมีชีวิตและคุณให้ความรักแก่มันนั่นเป็นสิ่งที่ช่วยให้มันได้มีชีวิตในภพชาติต่อมาจอร์ดวิลโมตไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่ไมเคิลบอกเท่าไหร่นะ แค่ในช่วงเวลาที่คุณให้ความรักแก่มันหมายเข้าพูดต่อมันจะยังคงอยู่ระหว่างที่คุณเป็นมนุษย์อยู่ข้างล่างนั่นคุณไม่รู้หรอกว่าความรับผิดชอบที่พวกเขามีต่อสัรพพสัตมันมากน้อยเพียงใดผมได้เรียนรู้ในเรื่องนี้ตั้งแต่ผมมาอยู่ที่นี่ซึ่งก็นับเวลาเป็นร้อยๆปีมาแล้วจอจ้องหน้าคนพูดเหมือนเขากล่าวมาถึงตรงนั้นนี่มันมากเกินกว่าที่เขาจะรับไหว ไมเคิลบอกเขาว่าอายุเป็นร้อยร้อยปีแต่ทำไมเขายังดูหนุ่มแน่นอยู่เลยดูเหมือนไมเคิลจะอ่านความคิดของอีกฝ่ายออกโอ้ที่นี่เวลาไม่เป็นปัญหาหรอกผมอยู่ที่นี่มาหลายร้อยปีความรับผิดชอบของผมส่วนหนึ่งก็คือต้องคอยดูแลคุณเลี้ยงสัตว์และผมก็มักจะต้องลงไปอยู่ข้างล่างนั่นจอร์ดวิล موت สงสัยว่าไมเคิลหมายถึงอะไรเมื่อเขาเอ่ยถึง ข้างล่างนั่นเขาเดาว่าคงเป็นนรกหรืออะไรสักอย่างไม่ใช่ครับไมเคิลปฏิเสธข้างล่างนั่นคือที่ที่พวกเขาให้สัตว์ต่างๆลงไปอยู่และผมต้องคอยลงไปดูแลมันพยายามช่วยพวกมันแต่มันก็ไม่ใช่งานที่ใหญ่นักที่นี่เรามีทุ่งกว้างให้สัตว์ทั้งหลายและที่ใดที่มีความรัดมีความเมตตาพวกสัตว์จะได้รับการดูแล ที่พวกคุณเคยคิดว่าสวรรค์จะมีแต่มนุษย์ก็เพราะพวกเขามีความเป็นมนุษย์และคิดว่าพวกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวที่มีสิทธิ์มีชีวิตหลังความตายพวกเขาพวกเดียวเท่านั้นแล้วคุณก็มีคนในศาสนาที่คิดว่าเมื่อตายไปแล้วก็ต้องเป็นเช่นนั้นซึ่งมันไม่ใช่แนวคิดที่ถูกต้องตายตัวเลยจอร์วิลมดอึ้องงนันเขาฟังและเริ่มคิดถึงสิ่งที่เขาจะทาในฐานะ ผู้ผ่านความตายมาสู่อีกสถานที่หนึ่งรวมทั้งกิจกรรมต่างๆเขาพยายามทำใจยอมรับเรื่องเหล่านี้หากในขณะเดียวกันเขาก็มีความวิตกกังวลคุณไม่ต้องมานั่งแค่อยู่ที่นี่หรอกไมเคิลแนะไปเดินกันเถอะวิลมอดก็เลยตอบว่าเอาสิจอร์ดเดินไปข้างๆไมเคิลผ่านทุ่งหญ้าไปสู่ถนนสายหนึ่งทอดยาวไปสู่ประตูเล็กๆ สถานที่แห่งนี้เป็นเสมือนชนบทบนโลกเขาเดินไปมีม้าตามหลังววลมอรเป็นหนึ่งในหลายคนที่ตกตะลึงเมื่อได้พบกับสัตว์เลี้ยงของเขาที่มีชีวิตอยู่ในโลกหน้าตอนที่เทอรี่สมิธจมน้ำตายเพราะเรือฮูดล่มเขาเข้าไปสู่บ้านพักหลังแรกของเขาหนึ่งในสิ่งแรกๆที่ทำให้เขาแปลกใจก็คือเจ้าแมวดาตัวเล็ก น่ารักคนเก้าอี้ผ้าบุลายดอกในห้องรับแขกท่านใดนั้นเธอรี่เล่าให้ฟังเจ้าแมวทำสิ่งที่ตลกที่สุดมันโดดลงจากเก้าอี้วิ่งมาหาผมนั่งลงด้วยขาหลังก่อนเงยหน้าขึ้นมองหูตั้งมันไม่ได้ร้องเหมียวซักแอะไม่ได้ทำเสียงเหมือนแมวแต่มันถ้าเหมือนมันกำลังพูดตอนนั้นผมแทบเป็นลมตัวสั่นไปหมดอย่าห่วงเลย คนนำทางสาวเอ่ยขึ้นแก่เทอรี่เธอจะชินไปเองนั่นแหละสัตว์ต่างๆที่นี่พัฒนาความสามารถของมันให้เข้ากับที่นี่แน่ละมันทำแบบนี้บนโลกไม่ได้แต่เราไม่ได้ยินพวกมันพูดเพราะพวกมันไม่มีภาษาอย่างที่เราเข้าใจทว่าณนะที่แห่งนี้ความคิดของพวกมันก็คือสิ่งที่พวกมันสามารถส่งเป็นสารผ่านขึ้นบรรยากาศได้และ เราสามารถได้ยินเสียงต่างๆจากการปรับความคิดให้เป็นกระแสขึ้นซึมเข้าสู่การรับรู้ของเราเพื่อเธอจะได้ยินพวกมันพูดตอนนี้แมพูดว่าเธอเป็นยังไงมั่งเธอรี่ตะลึงพระเจ้านี่มันเป็นไปได้อย่างไรอย่าตกใจไปเลยคนนำทางบอกเธอจะชินกับสิ่งเหล่านี้เองสัตว์ต่างๆมีความละเอียดอ่อนมากกว่าคนเสียอีก พวกมันมีความรู้ของตัวเองในเรื่องต่างๆมันสามารถถ่ายทอดความคิดและรับทราบความคิดได้เธอจะชินกับความจริงที่ว่าสัตว์สามารถรับรู้บนภพนี้ได้มากกว่าพวกมันตอนที่อยู่บนโลกเธอรรี่พยายามปรับตัวให้เข้าใจในเรื่องนี้และเอ่ยขึ้นมาว่าฉันสบายดีขอบใจนะและมันก็เหมือนกับแมวตัวนั้นส่งสารกลับมาว่าฉันหวังว่าคุณจะมีความสุขที่ได้อยู่ที่นี่ แล้วมันก็เดินกลับไปนั่งเก้าอี้คู้ตัวหลับไปสักพักผู้พิทักษ์ของเทอรี่ก็พาเขาออกเดินไปในหมู่บ้านเป็นครั้งแรกเพื่อพบปะกับเพื่อนใหม่ของเขาและพวกเขาก็ไม่ได้เดินอยู่กันแค่สองคนขณะกำลังเดินออกไปแมวก็ลุกขึ้นและเดินตามพวกเขาออกมามันกำลังเดินไปด้วยซึ่งถ้าคนบนโลกมองอาจคิดว่ามันแสดงพฤติกรรมของสุนัขมากกว่าแมว เอาเธอเธอออกปากมาด้วยกันก็ได้และเธอก็เรียกเหมือนว่าเนลลี่เธอรีคิดว่าชื่อเนลลี่เป็นชื่อที่ตลกมากสําหรับแมวแล้วเขาเองก็ไม่เคยได้ยินแมวชื่อเนลลี่มาก่อนเธอคิดว่านี่เป็นชื่อที่แปลกสําหรับแมวใช่ไหมละ่ะก็ผมไม่เคยได้ยินแมวชื่อเนลลี่เลยไม่รู้ว่าทําไมถึงตั้งชื่อแมวว่าเนลลี่ไงแม่ฉันตั้งชื่อแมวตัวนี้เองว่าเนลลี่คนนําทางบอก คุณแม่คุณเหรอเทอร์รี่ถามงั้นแมวตัวนี้อายุเท่าไหร่ล่ะตอนนี้เจ้าแมวตัวนี้ก็น่าจะอายุได้สักหกสิบปีแล้วล่ะเธอตอบจอร์จฮอปกินชาวนาแห่งซัสเซ็ตที่ได้เห็นหมาตัวเก่าของผมวิ่งร่าหางทีโดดขึ้นหยองแหย่งเขามีเรื่องชวนพิสวงอีกเรื่องตอนนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่ บูรถามเมื่อนั่งทรงในคราวต่อมาเออเขาตอบผมกําลังสนใจเรื่องปัสุสัตว์คุณมีปัสสุสัตว์ที่นั่นหรอใช่สิแล้วเราก็มีมา้าผมรักสัตว์มากโดยเฉพาะมา้าผมรักการทําปัสุสัตว์และที่นี่เราก็ทําปัสุสัตว์กันทําไมจะไม่ละ่ะเรามีทุ่งหญ้าที่จะมีหญ้าให้สัตว์กินอย่างอุดมสมบูรณ์ทุ่งหญ้าสวยงามมีสัตว์ต่างๆเหมือนเช่นที่คุณมี ทุกคนอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติไม่มีการฆ่าผมมีสวนซึ่งรักมากมีโรงปรศุสัตว์ของผมอยากเดินอยากขี่มา้าซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ผมไม่มีโอกาสได้ทำเท่าไหร่นักบนโลกแม้ว่าผมจะเคยทำงานนี้มาก่อนแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะทำได้ดีนักกระทั่งขี่มา้าถ้าจูงม้าแล้วก็พอไหวคุณคิดว่าเบ็ตตี้กรีนถามบ้างปศุสัตว์ หมายถึงสัตว์เลี้ยงต่างๆที่นั่นจะมีระดับสติปัญญาการรับรู้ที่สูงกว่าบนโลกนี้ไหมคะพวกมันเข้าใจคุณหรือเปล่าใช่ผมพูดเรื่อยเลยว่าใช่พวกมันมีการรับรู้ผมคิดว่าตอนอยู่บนโลกนี้ผมประเมินความฉลาดของมันมีต่ําไปอีกอย่างพวกมันมีความรู้สึกมีอารมณ์แม้พวกมันอาจจะไม่ฉลาดแต่ทีเดียวแน่นอนผมรู้ว่าบนโลกนี้ มีการโต้เถียงกันตลอดว่าควรฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารหรือเปล่าผมเองก็ไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมว่านะมันไม่สำคัญหรอกเพราะมันยังมีอาหารรูปแบบอื่นๆที่เรากินกันได้และทำให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปได้และอีกอย่างผมคิดว่าไม่ดีหรอกที่เราจะกินเนื้อสัตว์สดๆผมไม่คิดว่านั่นจะเป็นผลดีต่อมนุษยชาติและอีกอย่างผมคิดว่า สัตว์ก็มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์